พระธรรมเทศนาแผนที่หนึ่งร้อยเจ็ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองกรกฎาคมสอง0ันห้าอหกสิบมีชื่อเรื่องว่ายมทูตแจกวีซ่าขอเชิญทุกท่านร่วมอาราธนารับพร้อมกันนะคะเริ่ม Oh. Wow. ตอนนี้ไปตั้งใจฟังนะหลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวทธนิยกถาเกี่ยวกับการงานศพความสลดสังเวทใจสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ได้ทราบหลวงพ่อแปะ๊ะได้นิมนต์ไปหลวงพ่อก็ได้ทราบข่าวอท่านพรนสาก็ยังน้อยหนุ่มอยู่ก็ยังอายุยังไม่มาก พระอาจารย์วิชิตจักกะวะโรแล้วก็พันษาของท่านก็อายุเพียง48ปีพันษา11พันษาถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาถ้าท่านอยู่ต่อไปอยู่ต่อไป แต่นี่เนี่ยโรขาพญาต์มาตัดทอนเกิดแก่เจ็บตายพวกเราไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แล้วก็มาถึงเลือกไม่ได้อีกว่าข้าพเจ้าจะอายุถึงร้อปีซะก่อนจึงจะไปจึงจะตายถ้าใครเลือกได้อย่างงั้นก็ก็ดีนะแต่มันเลือกไม่ได้พอถึงคราวก็มาแล้วก็วีซ่ามาถึงแล้วก็ตั้งแต่เกิดขึ้นมา นายจมมาทูดเขาจะเอาอายุเท่าไรดวงวิญญาณเอา48ปีก็พอละแต่ใ น, นพอ48ปีเขาก็ส่งวีซ่ามาให้ท่านก็กลับบ้านเก่าของท่านนี่แหละอันนี้พวกเราไม่รู้ว่าใครจะพูดกับตกลงกับยมมาทูดอย่างไรยมพบาลยมมาทูดอย่างไร ถ้าว่าใครตกลงกับย ม, มทูตยาวนานก็คงจะได้อายุยืนักยะยืนนานนะแต่หากว่าใครตกลงกับย ม, มทูตไม่นานคงจะได้กลับเร็วเหมือนกันนะเอาก็ส่งวีซ่ามาให้แล้วก็กลับบ้านเก่านี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าใครจะได้กลับบ้านเก่าเร็ว ยาวนานหรือว่าเร็วขนาดไหนนะแต่ท่านอาจารย์หลงท่านวิชิตนะท่านอายุเพียง48ปีปีพรรษา11ภพรรษาก็นับว่าดีนะดียังไง ค, ค, คว่าท่านได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็น11ปีก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะถ้าว่าท่านตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติ ก็คงจะถึงมรกถึงผลได้ขนาดนี้สิบพันษาเกือบว่าปรึ่งพระเถระแล้วนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมแล้วที่นี่นะตั้งอกต่างใจฟังนะคณะทายาทโยมหลวงพ่อก็คงจะกล่าวอะไรไม่นานนานนา น, นานพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้หลังงานสำคัญเออ วันวันนี้ก็หลวงพ่อพก็ได้ออกมาพบกับญาติโยมนานๆพวกเราไม่ใช่เห็นได้ง่ายๆเหมือนกันนะแตเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ใช่ออกมาง่ายๆอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเมื่อได้ฟังกูบายจานแสดงธรรมไม่ใช่แต่องคนะ์หลวงพ่อนะหลวงพ่อขององค์นึงแต่องค์อื่น การฟังเทศฟังธรรมเราไม่ได้ฟังอย่างอื่นหลังปอเราฟังเพื่อเนื้อหาสาระนําไปประพฤติปฏิบัติเพราะคนเราจะเ ฉ, ฉลียวฉลาดจะฉลาดปัดเปืองขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าหางว่าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเฉลียวฉลาดไม่มีทางเพราะนั้นพวกเราจะไปฟังจากจากองค์ใดองค์หนึ่งอย่างเดียวพวกเรา เกิดขึ้นมาในะมีครูกี่ครูหรือสอนพวกเราครูคนเดียวใช่ไหมว่าไม่น่าจะใช่นะีมีหลายครูเหมือนกันครูประถมครูมัธยมครูปริญญาตรีโทเอกก็มีมากนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ไว่าหพวกท่านทั้งหลายเชื่อฟังหลวงพ่ออินคนเดียวนะหลวงพ่อไม่เคยประกาศไม่เคยพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่ฟังทำนี่ จะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามถ้าพูดเป็นศีลเป็นธรรมแล้วนั่นแหละถึงจะพูดมากและพู ด, พดน้อยออพูดมีสาระประโยชน์พูดเข้าไปแล้วเข้าใจ เ, เข้าใจในการได้ยินได้ฟังเป็นธรรมเทศนาที่เข้าใจได้นั่นแหละเลิศประเสริฐเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวอาพู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงเหตุผลจิตใจก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตมยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาไขว่หวรทบทวนสิ่งที่ได้กินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนาวยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณากันกรองไรตรตรองทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงอันนี้ภาวนาวยปัญญาเป็นธํามคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นปัญญาของพระอริยะแต่ว่าปัญญาสุดตมยะปัญญากับกินตามยะปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาของสามัญชนทั่วๆไปนะแต่ภาวนามยะปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาของพระอริยะผู้ที่จะตัดกิเลสออกจากจิตใจต้องภาวนามยะปัญญาวันนั้นให้พวกเราฟังอาศัยการได้ยินได้ฟังสุสังรัตเตปัญญา ผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังฟังไปเท่าไรแต่รู้หูซ้ายแต่รู้หูขวาฟังไปเลื่อนลอยไปเลยเหมือนกับเสียงอะไรก็เไม่เสียงอะไรเนะี่ยพอหลักเพราะเราไม่ตั้งใจฟังถ้าเราตั้งใจฟังแล้วนําไปวิจารณวิเคราะห์จากนั้นก็ย้อนมาหาตัวเองเมื่อฟังแล้วก่อนนะั้นนำมาพิจารณา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 มรณงเมภาวิสติขยะวยะธรรมมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาตีติวันนี้เป็นวันสลดสังเวชใจสำหรับผู้เกี่ยวข้องคือพวกเราได้จัดงานศพของพระอาจารย์พิชิตจักกระวะโร ที่ท่านมรณะภาพอายุพรรษาแต่เพียงอายุเพียง48ปีพรรษา11พรรษาบวชมาเป็นพระกรรมฐานอยูอ่กับครูบาอาจารย์ได้หลายสำนักแต่มาป่วยโดยโรคตับนี่แหละอันนี้แหละ เ, เป็นมอมะมอมะคำนี้เนี่ย ถ้าเกิดกับท่านผู้ใดมันเล็งไปแล้วนะไม่ผิดเป้านะตรงตรงเป้าเลยเไม่พลาดเป้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคท่านที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเล็งเป้ามาหาเราเมื่อไหร่อย่างหลวงพ่อกำลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน หลวงพ่อไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทนะคณับนักตายญาติโยมพอพูดมาถึงมรณงเมพวิจติคํานี้แหละต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องถึงจุดจบข้าพเจ้าจะตรงถึงความตายอันนี้คือหลวงพ่อไม่ได้ประมาทอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อได้ศึกษามาหรือในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านก็ได้บอกได้กล่าวท่านได้ตรัสไว้อย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราพระพุทธองค์พระพุทธองค์ท่านยังตัดถามพระอรนนท์ว่ารูปอนอานน์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าอานนท์ท่านยังประมาทอยู่ในความ ดูในการระลึกถึงความตายควรระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจหายใจไม่ออกก็ใช่ตายแต่ทําไมพ ร, าพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายอย่างนั้นเพราะว่าถ้ า, าว่าผู้ใดไม่ระลึกถึงความตายคนนั้นจะลืมตัวคิดว่าตัวเองจะไม่ตายถ้าถ้าจะโลภล้วก็โลภตลอด ถ้าจะโกรธให้ใครก็โกรธจนไม่ลืมหูลืมตาถ้าหลงคิดว่าร่างกายสังขารนี่จะเป็นตัวตนของเราเป็นอนันตการ่อยไร่พาะไม่คิดว่าตัวเองจะตายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องถึงจุดจบถ้าคิดอย่างนี้ไว้ในใจเสมอนะให้ระลึกอยู่อย่างนี้เสมอไว้ในใจถึงจะรักใครก็ไม่รักมาก ถึงจะโกรธให้ใครก็ไม่โกรธมากพราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะแยกย้ายกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านคณะทาญาติโยมทุกคนให้ระลึกอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพระสาวกในครั้งพุทธกาลพวกเรานํามาประพฤติปฏิบัตินํามาคิดใส่ตัวเองก็ได้นะเนะพราะอะไรเพราะว่านะให้ไม่ลืมตัว แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดไว้ในใจอย่างนั้นแล้วพวกเราจะลืมตัวลืมตัวได้ไดง่ายลืมหลงลืมตนเองได้ง่ายนีย่เพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะไม่ตายแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยข้อสำคัญในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญในจุดนี้แหละถ้าหากว่าตายแล้วสูญก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทําไมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลาย ท่านก็ยืนยันแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเนี่ยถ้าว่าพวกเราเชื่ออยู่ในจิตใจอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหานะแต่บางคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะแต่คำว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างพอได้ยินเสียงกระตุกขึ้นมาก็เชื่อถ้าไม่กระตุกขึ้นมาแล้วก็ละเลือนไปเอ๊อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้เกิดน ะ, ะแต่ตามไม่จริงเกิดแน่นอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นไม่ว่าครูบาอาจารย์องไหน หลวงพ่อในทันเกือบทุกองนะถึงหลวงพ่อบวชเข้ามาหลวงปู่เทศหลวงพ่อเคยได้ไปฟังเทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่บาอาจารย์องค์อื่นหลวงปู่แว้นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ลาภผู้บาอาจารย์หลายองค์ที่หลวงพ่อเข้าไปหลวงปู่วันหลวงปู่จวนหลวงปู่สิงห์ทองหลวงพ่อก็เคยเข้าไป ที่เป็นพระเถระที่เป็นศิษย์เยาวนิสิ์ขององค์หลวงปู่มั่นล้วนแล้วแต่ยืนยันยืนหยัดว่าตายแล้วเกิดแน่นอนตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ศึกษามาเนะนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนอยากจะศึกษาในจุดนี้ทําอย่างไรพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพ็นนะนะั้น่ะพระพุทธองค์นั่งขัดสมาธินะตอนหัวค่า นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นปัทไทใจของผพรงรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้นระลึกชาติผลหลังได้ ยีว่วะปุกเพนี่วาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังถ้าพระพุทธองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวคงเกี่ยวเลึกชาติไม่ได้ทว่ไาไรเพราะว่าเออกเกิดมาชาติเดียวแต่ที่พระองค์ไม่ได้บอกบอกอย่างนั้นไม่ได้ตรัสอย่างนั้นว่ามีอดีตชาติจึงมีชาดกยืดยาวพออันนึกเรื่องไหนมาสัมผัสในพระพุทธองค์พระองค์ก็ย้อนเออสมัยนั้น เราได้เป็นคนนั้นคนนี้ที่อากับกิริยาอย่างนี้อย่างนี้พวกเราได้อ่านในชาติอกของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้เรื่องว่าตายแล้วเกิดแล้ตายแล้วสูญน่ะให้นั่งภาวนาทำอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเอาขาขวาทับขาซ้ายกันนั่งภาวนากาหนดพอจิตใจกาหนด จิตใจเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายเนี่ยหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันให้ฟังร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถนะลูกหลานนะจิตใจเหมือนกับคนขับรถนะคนขับรถกับรถ เ, เราเห็นได้ชัดนา ม, มาธรรมคือตัวตัวนัตติที่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญนะคือคนเหมือนกับคนขับรถแต่ร่างกายเหมือนกับรถ แต่พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเรื่องของคนขับรถมากกว่ารถท่านจึงว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเสรามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละตัวเนี้แหละในเมื่อร่างกายแตกตายสลายสูดดินน้ําลงไหวตายเอาไปเผาไฟทิ้งอย่างท่านพิชิตวิชิตเน่ยนะเมื่อเอาไปเผาไปแล้วร่างใจของท่านก็ออกจากร่างแล้ ท่านจะไปปฏิสนธิที่ไหนไปเกิดที่ไหนกระสุดแท้แต่บุญบุญกุศลของท่านถา้าท่านตัดกิเลสล ะ, ละกิเลสได้ท่านก็เข้าสู่นิพพานหรือท่านภาวานาไปอยู่ชั้นพรมชั้นใดชั้นหนึ่งแลท่านก็ไปอยู่ชั้นพรมหรือชั้นขวั์ถ้าว่าท่านทำกรรมที่ไม่ดีท่านก็ต้องไปตนกนรกหรือไปใช้กรรมของท่านาแต่ถึงยังไงก็ตาม ท่านผู้ปริวติอย่างนี้แล้วหลวงพ่อเองก็มั่นใจท่านก็ไม่ตกต่ําเพราะถึงยังไงท่านขอประกอบคุณงามความดีของท่านท่านเลึกไว้อยู่เสมอท่านก็ได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แล้วเรื่องความแก่เจ็บตายจะไปหลงละเหิงได้อย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเราก็ขอท่านน ะ, ะให้ประกอบคุณงามความดีแต่ถ้าวา่าเราไม่ได้ทําความดีไว้นะเออ ก็ไปทางต่ำได้ไม่ว่าพระไม่ไ่าโยมนะพระก็มีโอกาสเหมือนกันนะตกต่ำแล้วก็ไปทางสูงได้พระนั่นบอกว่าพระนี่นะบวชมาในพรพุทธศาสนาเนี่ยมือหนึ่งจับประตูสวรรค์โองเหนียวประตูสวรรค์แต่ตีนข้างหนึ่งตีนอีกเหยียบปากนรกถ้าหาว่ามือหลุด จากประตูสวรรค์หงายพึ่งลงตกนรกถ้าหากว่ า, าเราทําคุณงามความดียันปากนรกเกาะประตูสวรรค์เหมือนกับเราเกาะเข้าไปในรถไฟอย่างนั้นนะ่ะเกาะประตูรถไฟอย่างนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทําไมจึงเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตของนันกโทษนักบวชเป็นชีวิตที่อาศัยคนอื่นเขา เพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติรรมหรือการประพฤติการบำเพ็ญคุณงามความดีเราจะไปทําแบบมักง่ายไม่ได้เพราะชีวิตของเราเนื่องร่วยผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มงวดขวดขันประกอบคุณงามความดีเพื่อจะให้จิตใจของเราสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือท่านแนะนําบอกกล่าวพระสงฆ์นะแต่พระในกล้งพตทธการหลวงพ่ออยากจะพูดอยากจะกล่าว ให้คณะสัตธ า, าญาติโยมน้องหนุ่งทั้งหลายได้ยินได้ฟังเหมือนกันพระก็มีโอกาสที่จะตกต่ำได้ไม่ไรเพราะว่าแนวความคิดนะเว้นเสียแต่ท่านผู้ใดได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยะบุคคลผู้นั้นน่ะแปลว่าผู้แน่นอนแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลขั้นพระโสดาบั น, น, พ, รบนพร้อมที่จะตกต่ําพร้อมที่จะไปใดทุกหัวและแห่ง พร้อมที่จะไปตกนรกพร้อมที่จะไปเกิดเป็นเปรตพร้อมที่จะเป็นสัตว์ดิบฉานพร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นชั้ น, นพรหมนะก็ อ, อะไรเออมันเพราะจิตใจยังไม่มาตรฐานอ่ายังจิตใจยังพร้อมที่จะไปชงๆต่ตตําๆได้อย่างพระในครั้งพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งท่านก็เป็นพระป่าพระดงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเออท่านก็ไปบําเพ็ญในป่า บำเพ็ญไปบวชเข้ามาแล้วก็ไปบาเพ็ญภาวนาในป่าแต่พอไปศรัทธาญาติโยมเขาผมมีศรัทธานะเขาถวายผ้าให้ท่านผับหนึ่งผ้าสมัยนั้นผ้าหายากเลยมันไม่ใช่ผ้าหาง่ายอย่างผ้าทุกวันนี้ออพอท่านได้ผ้ามาแล้วท่านก็เราควรจะเก็บไว้ถ้าเผื่อผ้าผืนนี้ขาดเราก็จะได้ใช้ผ้าผืนนี้ท่านจากนั้นมาท่านก็พยายาม แบบเอาผ้าพื้นมา เ, าเก็บผ้าพื้นมาคล้ายๆวบบตะพายมา เ, าเหมือนกับใส่บริขารมาพอมาถึงแล้วก็ท่านก็มอบให้พี่สาวนะพระองค์นั้นก็บอกว่าพี่โยมพี่โยม พ, ยมพี่อาตมาได้ผ้ามาแล้วนี่แต่ผ้ากีบอนของอาตมาเนี่ยยังดีอยู่ยังพอใช้ได้อยู่อาตมาขอฝากผ้าไว้กับโยมพี่ได้ไหมเก็บรักษาไว้ด้วยให้ด้วยนะโยมพี่นะ ถ้ามันผ้าอาตมาชำรุดแล้วอาตมาจะมาขอจากโยมพี่ไปไปตัดเย็บโยมพี่เออได้ท่านไม่ถ้าหาว่าท่านถือไปก็ไม่รู้ถือไปหกแหงหนตบนาบลใดเพราะมันหนักใชเ่เพราะยังไม่ได้เย็บอีกต่างหาท่านก็เลยฝากโยมพี่เอาไว้พอต่อมาผ้าชีวรของท่านาขาดชำรุดท่านก็เลยโโยมพี่ผ้าที่อาตมาฝากไว้เนยะยังมีไหม ยังยังอาตมาผ้าจีวรขาดแล้วโยมเพีเอาได้ยังเก็บไว้อยู่น้องท่านก็เลยมอบให้น้องชายพอหน้องชายได้ผ้าผืนนั้นผ้าขาวพับนั้นมาท่านก็เข้าไปหาพระเสระผู้ใหญ่สมัยนั้นวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารมีหลายคณ ะ, ะอย่างที่วัดบวรทุกวันเนี่ยวัดบวรเขาลวงพ่อเข้าไปแล้วตลงพ่อได้รู้ว่าวัดคณะ ไหนตกคณะไหนอยู่ที่ทวัดอันนี้ก็เหมือนกันวัดจำนักพระพุทธเจ้ามีหลายคณะเหมือนกันแต่มีหัวหน้าคณะที่ดูแลพระสงฆ์แต่ละกลุ่มละกลุ่มแต่ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าทั้งหมดแต่ทีนี้พระสงฆ์เมื่อได้ผ้าจีวรมาไม่มีจักเย็บผ้าได้สมัยนั้นนะพระต้องมาตัดเย็บเองนะพระผ้าได้พระองค์นี้ก็ได้ผ้าจีวรก็เข้าไปหาหัวหน้าน่ย หัวหน้าคณะท่านพระอาจารย์ครับกับผมจีวรชำรุดครับผมแล้วก็ขอพระอาจารย์ได้ให้พระในกลุ่มในคณะของเราขอให้ท่านอาจารย์บอกให้เย็บผ้าช่วยกับผมด้วยเถิดพระอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าเออจากนั้นขอเรียกไปชุมว่าเออวันพรุ่งนี้นะเนอะจะมีการจัดเย็บผ้าจีวร ให้กับพระองค์นี้เท่านได้ภาพแล้วลงแขกกันนะให้คำว่าลงแขกกันนะพอองค์องค์หนึ่งตัดองค์ก็กช่วยกันเย็บนะท่านเนี่ยพราะไม่มีไม่มีจักเย็บผ้านะเย็บด้วยมือนะอ่ะเอเสร็จแล้วท่านก็นตัดเย็บแต่พระองค์นี้เลยเอเออในเมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายมาช่วยผ้าจีวรเราเราก็ควรจะไปบอกพี่สาวว่าให้ ทำอาหารเพลมาเลี้ยงพระด้วยแต่ตามปกติพระท่านจะฉันมื้อเดียวนะฉันแต่เช้าแต่ถ้าหากว่ามเาีเดินทางไกลไปทางเรือ อ, อยู่ด้วยกันมากแล้วก็บินทบาทไม่พอฉั น, เ, นเรก่จีวรการการจีวรฉันปรำพระโภชนะคือฉันฉันสองครั้งได้นะลักษณะอย่างนั้นตอนนี้พระองเนงก็เลยเข้าไปบอกพี่สาวเอ้ย พระกำลังตัดเจ็บกีบอนให้อัตม า, าแล้วก็ขอให้โยมพี่สาวทำอาหารให้อัตมาไปเลี้ยงพระได้ไม่โยมพี่โยมพี่ก็มีศรัทธาอยู่แล้วเพราะน้องชายปวด่ไหได้น้องอพี่สาวก็เลยจัดทำอาหารไปถวายพระเลี้ยงเพงงนงัพระองค์นี้ก็คงจะไม่ได้ทานอาหารทานแต่อาหารมื้อเดียวใช่อพอเห็นอาหารพี่สาวเอามาให้ก็คงจะทาน คงจะชั้นเอ็มเต็มอิ่มว่างวันนั้ น, นอ่ะเต็มอิ่มเลยเแต่นั่นก็เลี้ยงพระสงฆ์จะนั้นก็เสร็จแล้วก็พระทั้นก็เย็บผ้าจีบอเสร็จเรียบร้อยออแล้วก็พระอันนี้ก็ไปย้อมพอย้อมโอ้สีก็พอเหมาะขนาดก็ได้แล้วก็เย็บดีอีกต่างหากโอ้พอใจอย่างมากกับผ้ากีวรนผืนนี้ตั้งแต่ ได้ผ้ากีวรหวอดมาเนี่ยยังไม่เคยได้ผ้าจีวรถ <c oughs> ูกใจเหมือนผ้าจีวร์ผืนนี้เนี่ยพระองค์นั่นคิดในใจนะไปย่อมจะเออวันพรุ่งนี้เราคงจะได้คลองผ้าจีวร์จากนั้นพอตกกลางคืนท่านไะพอตกกลางคืนอาหารเป็นพิษท่านี่ทุกวันนออคงจะเข้าโรงพยาบาลแต่สมัยนั้นคงไม่มีหมอเหมือนทุกวันในเมืองอาหารเป็นพิษท่านั้น ท่านก็เลยปวดท้องชักทิ่นชักนอใจขาดตายก่อนที่จะตายเราลึกถึงผ้าจีวรเลโอ้ผ้าจีวรของเราเราจะไม่ได้ใช้ผ้าจีวร่ะผ้าจีวรคนนี้ถูกใจจริงๆอี่เราจะไม่ได้ใช้ผ้าจีวรน่นนจจรเระนเป็นห่วงเป็นห่วงผ้าจีวรในขณะขณะที่ใจจะขาดเนี่ยในเราพวกเราให้ฝังเอาไว้นะในช่วงใจจะขาดเนี่ยจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติน่ะจุดนี้แหละสำคัญมากในเมื่อใจ ประวัตถึงผ้าจีวร น, นั่นน่ะตายไปปุ๊บในขนานใจขาดพอใจขาดท่านั้นน่ะวิญญาณเราเนี่ยไปเกาะอยู่ในผ้าจีวรไปเกิดเป็นตัวเรนนะตัวเรนตัวไรตัวลเล็กๆนะอยู่ในผ้าจีวรในโลกโอปปาติกะเกิดผดขึ้นนะให้ครอบดวงวิญญาณไปเกาะแล้วก็เกิดเป็นตัวเรนตัวไรแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยพระพุทธเจ้าว่าการ การเกิดของสัพสัตทั้งหลายชลาพุชะเกิดในขันอันทะชะเกิดในไข่สังเสทชะเกิดในเท่าในไขในที่หมักหมมโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นแต่ตัวไรตัวนี้มันเกิดผุดขึ้นคล้ายๆว่มพ่อเป็นข้องติดในผ้ากีวรมันก็เลยไปปฏิชนที่เป็นตัวเหลนขึ้นมาเกิดขึ้นมาใ น, ในผ้ากีวร์ผืนนั้นจากนั้นวันล่งขึ้นมา เขาก็บอกโอ้ยพระที่เยบ็เยบเย็บผ้าจีวรให้เมื่อวานเนี่ยตายแล้วจะทํำยังไงเอาไปเผาเพอฉันยังหันเสร็จแล้วก็ไปเผาพระไปเผาร่างกายของท่านที่ท่านตายแล้วนะพอตายแล้วจะเนี่ตอนพอตกตอนเย็นมาพอพเผาพระเสร็จแล้วนะเขาก็เอาบริขารพระองค์นั้นมาที่มีบาดผ้าจีวรสังขารติบริขารที่ไม่ได้ติดตัวของพระ เอามากองไว้ตรงกลางจากนั้นก่อ น, นิมนต์พระทั้งคณะเนี่ยนะมาพร้อมนั่งนั่งร้อมกันพระเถระผู้ใหญ่กระเพาะบอกอนะไรทีเออภาที่พระองค์ที่มรณะภาพเมื่อคืนเนี่ยออนี่แหละบริขารของท่านแต่องค์ไหนละ่ะที่เป็นคินลานุปทากที่เป็นพระอุปถากใกล้ชิดที่ท่านมรณภาพไปเนี่ยนะให้เลือกเอาก่อนนะคือให้สิทธ์นะให้สิทธิพระที่อุปถาพระองค์นั้นอนะ เลือกเอาก่อนจะเอาจีวรก็ได้จะเอาบาทก็ได้จะเอาอะไรก็ได้แต่ให้เอาชิ้นหนึ่งพอรับไปชิ้นหนึ่งจากนั้นพระมหาเทระก็ถามเออองไหนจีวรชชำรถองไหนบาทชำรถท่านก็ให้องค์นั้นไปเลนี่นั่นแหละคือการแจกบริขารในครั้งพุทธกาลเพราะเหตุใเพราะบริขารหายากในครั้งนู้นนะแต่ตอนี้ขณะที่ประชมหาเรือกระยู่เออเล่นตัว น, นั้นมันได้ยินเลแต่ว่า ตัวมันเล็กกว่าจริงอยู่แต่ว่าดวงใจมันใหญ่มันรับรู้ได้ทั้งหมดนะ่ะว่าพระทั้งหลายที่นั่งประชุมกันนะ่ะมาจะมาแย่งผ้าจีวรเออมันวิ่งอยู่ในผ้าจีวรโอ้ยพระเหล่านี้จะมาแย่งผ้าจีวรข้าพระเจ้ามันว่านะเออมันร้องน่ะตัวเรนมันร้องนะตนนงนะแต่พระเหล่านี้ก็ไม่ได้ยินเสียงเสียงเรนร้องใช่ไหมจะได้ยินได้งไงแต่พระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่พระคันทกผู ด, พพดีพระองค์พระองค์มีหูทิพตาทิพใช่ไหม พระองค์ก็ได้ยินเออเอเล่นตัวนี้มันร้องเ อ, อมันหวงผ้ากีวร้ของมันถ้าหากว่าผ้าเหล่านี้ไปแจกผ้าจีวรมันก็จะโกรัให้พระเพราะกรัให้พระแล้วมันจะตกนรกนะเล่นตัวนี้นะพระองค์นี้นะถ้าหากว่าปล่อยให้มันไปตามตามของมันเองอายุของมันก็จะเจ็ดวันออพอมันตายแล้วก็จะไปสู่สวรรค์เพราะอันนี้สงศินอันนี้สงภาวนาของเขามีอยู่ แต่เมื่อเขาตายไปแล้วนะ่ะขณะที่ตายนะ่ะจิตมันคล่องแว้มันก็เลยเกิดเกิดไปเป็นตัวเลนเอาเถอะอก็ท่านก็เลยบอกอาอนน o ์ไปบอกผ้าเหล่านั้นสิให้ระงับไปก่อนนะอย่าเพิ่งแจกผ้าจีวรของพระองค์นั้นที่ตายไปนะ่ะให้เก็บไว้ก่อนนะจนกว่าจะได้รับคําสั่ง อ, อจากเราจึงจะค่อยแจกได้พระอาอน n o ์ก็รีบไปบอกว่าท่านท่าน พระองค์สั่งมาว่าให้เก็บผ้าจีวรบริขารพระองค์นั้นที่ตายมานะเก็บไว้ก่อนแต่จนกว่าจะได้รับคําสั่งแล้วถึงก็จแจกเก็บไว้ก่อนนะครับเพราพระองค์สั่งมาพระเหล่านั้นก็เลยเก็บผ้าจีวรแต่คลึกในใจเอ๊ะทําไมทําไมพระองค์จริงสั่งให้แล้วครับให้เก็บไว้แต่องค์อื่นไม่เคยมีอย่างนี้นก็สงสัยอยู่แต่ทีนี้พอ ต่อมาอีกพระอานุนพอเจ็วันพอเจ็วันเลนไล้จนตายนะอายุมันไม่ได้กินอาหารเจวันอายุของมันมันก็หมดอายุมันก็ตายตามอายุสังขารของมันนั่นแหละตอนี้พระอานุ์ก็มาพระพุทธองค์บอกเอออนุ์ไปบอกให้พระเหล่านั้นไปชุมกันแจกพระอัฐิบริขารจะนะแจกได้แล้วนะพระอานุ์ก็มาเออพระองค์สั่งมาว่าให้บดแจกบริขารพระองค์นั้นได้แล้วนะพระเถระ ที่เป็นหัวหน้าคณะก็เรียกประชุมเข้ามาอีกออจากนั้นก็ได้แจกบริหารพระองค์นั้นพอแจกเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมมันต้องมีเรื่องน่าพระพุทธองค์จึงได้ตัดห้ามและตัดอนุ ญ, ญาตให้แจกพวกเราควรจะไปกราบทูลถามพระพุทธเจา้าจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็รวมกลุ่มกันทั้งหมดพอแจกผ้า อ, อ, อัดบริหารของพระองค์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจาา้า่ะ ด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าคาท่านพระอานนท์ได้ไปสั่งระงับไม่ให้พวกข้าบองค์แจ็ผ้าจีวรแต่วันนี้พระอานน์ได้ไปบอกว่าให้แจกผ้าจีวรได้พวกข้าบองค์นสงสัยว่าทําไมหนอพวกตรงจึงสั่งระงับและสั่งให้แจกมีเหตุอันใดพระเจ้าข้ายพระองค์บอกเออพระสงฆ์ทั้งหลายนี่แหละคือพระของค์ทิ้มมรณะผ้าไปแล้วนั่นน่ะ เขาห่วงผ้าจีวรเขาของเขาขเข า, ขเขาขติดในผ้าจีวรของเขาพอเขาตายไปแล้วนะ่ะเขาก็เลยไปเป็นเลนไปเกิดเป็นเลนในผ้าจีวรแต่บัดนี้อายุของเขาเหมดเจ็ดวันเขาอ น, นิสงส์ศิลป์อา น, นิสงส์ภาวนาเขามีอยู่เดี๋ยวนี้เขาไปสู่สวรรค์แล้วแต่ว่าถ้าว่าพวกเธอแกกในขณะที่เขาอยู่ในนั้นน่ะเขาจะโกรธให้พวกท่านพวกท่านเป็นผู้มีศิลป์ พอกโกรธให้ผู้มีศิทธิ์นักเขาจะตกตกนรกนะเราเห็นความอนุเคราะห์อย่างนั้นเราจึงไม่ให้แจกผ้าจีวร น, นี่แหละเป็นอันว่าขนาดเป็นพระยังไปเกิดเป็นตัวเร็นตัวไรได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นท่านผู้ใดก็าตามขนาดเป็นพระก็ยังติดขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงจุดจบของชีวิตพวกเราควรจะฝึกหัดไว้ดีนะ ه, ฝึกขัดไว้ให้ดีกว่าเราควรจะทำจิตใจยังไงขณะที่เราจะหลุดออกจากร่างกนะ่อนที่เราจะตายในจุดนั้นละ่ะเราจะยึดอะไรยึด พ, พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดคุณงามความดียึดอะไรในช่วงนั้นมันจึงจะถูกต้องอันนี้ให้พวกเราศึกษานะถ้าพวกเราภาวนาแล้วนะเมื่อเราภาวนาเมื่อถึงจุดนั้นเออชีวิตของข้างคงจะมาถึงจุดจบจุดนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น เอาเถอะเออข้าจะไม่ห่วงหาอะไรอะไรทั้งหมดขนาดร่างกายของข้าระเจ้าเขาก็ยังจะเอาไปเอ า, เอาไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะไม่ห่วงอะไรกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหะใจของเราจะวิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจจะมาอยู่ที่ใจมีสติสัมปสัมปชัญญะอยู่ที่ใจไม่ยึดเกี่ยวเหนียวหน่วงอะไรทั้งหมด นั่นแหะจิตใจของเราจะเป็นจะนิ่งนิ่งจิตใจจะรวมจิตใจจะไม่ออกปงฟงไปทางอื่นจะไม่เกาะติดทางอื่นในเมื่อจิตใจของเราเข้ามาอยู่ในสมาธิอย่างนั้นนั่นแหละพอใจขาดปุ๊บขึ้นไปสู่พรหมรัตน์เพราะว่าเขาภาวนาเนี่ยนะโดยมากนักพรตนักบวชทั้งหลายพอตายไปแล้วจะขึ้นไปอยู่พรหมพวกฤาษีชีพาย เก่าเแก่แต่พวกอันนี้สงศินอันนี้สงทานเะนี่ยจะไปสู่สวรรค์แต่อั น, นิี้สงภาวนาเนะี่ยจะไปสู่พรหมโลกเป็นส่วนมากนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาแหละตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบนั น, กนทักรที่จะถึงจุดนั้นน่ะพวกเราจะต้องถึงจุดนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอย่างท่านอาจารย์ท่านวิเชษนี่น่ะนี่ท่า น, า น, านก็ถึงจุดจบของท่านแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆ ไม่รู้ว่า ว, วันไหนตอวันไหนนขอให้พวกเราทุกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีสั่งสมบูญณ์ุ้มคเอาไว้เพราะอีกไม่นานไม่ถึงร้อยปีแหะต่างคนก็ต่างจะแยกย้ายกันกลับบ้านเก่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าก่อนที่มาเกิดเราก็หยงมาโูดเขาก็ให้ให้วีซ่ า, าไว้ท่านจะไปอยู่กี่ปีละ่ะเมืองมนุษย์เราบอก ปกลงกับโยมมาโทดไว้แล้วผมอยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีบางทีเราก็ไม่ได้คิดใช่ไหมวิญญาณจากนั้นโยมมาโทดเขาก็เขียนวีแช่เออเอาให้ไปสร้างคุณงามความดีนะ อ, อย่าไปประมาทนะแต่บางคนพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะทั้งความไม่ดีอะไรสุรานารีอะไรต่อมิอะไรมารุมมาตุ้มเข้ามาหรือ ล, ลืมหลงคุณงามความดี ไม่ได้เลึกถึงคุณงามความดีไม่ได้ลึกศีลถึงถึงธรรมเลยผลในสุดนั่นแหละบาปกรรมอกุศลก็เข้าพอกคุณในจิตใจของเราผลในสุดได้วีซ่ามาขนาดผลในสุดค น, นตกโลกตกไปในทางตับตกนรกหมกไหมก็มีเพราะพวกเราอยู่ด้วยความประมาทเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงแนะนําสั่งสอนบอกเราพุทธบริษัทว่าพวกท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีไว้นะอ้อชีวิตนี่มันไม่เที่ยงแน่เที่ยงแท้เที่ยงแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งจะต้องถึงจุดจบของมันเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้เอาความตายมาพูดมาขู่กันสักขีพยานก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเราเนี่ยท่านพิชิดนอนอยู่ในหีนะันนี่แหละ ท่านเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องนอนอย่างท่านพิชิต ด, ดี่เหมือนกันไม่มีใครแพ้ใครจุดนี้แหละเสมอกันทั้งหมดไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่ว่าอยู่ในระดับไหนความตายในเสมอภาคเนี่ยเป็นความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่โลกนี้เป็นโลกอันตจังนะโลกอันตจังไม่เที่ยงแต่ความตายนี่เที่ยงเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นเน่ยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราโทุกท่าน ประกอบคุณงานความดีสั่งสมบุญกุศลตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงบาปูลคุณโทษมีจริงเพราะนั้นให้พวกเราสแสวงหาในสิ่งที่ดีโลกในโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานารกใส่ตนเองก็ได้หาสวรรค์ใส่ใจตนเองก็ได้หาคคกหาตารางใส่ตนเองก็ได้หายศรมหรดาศักดิ์ใส่ตนเองก็ได้โลกในโลกหาได้เนี่ยเป็นวนลีของคุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่า โลกนีโลกหาได้พวกเราคิดดูซิเราจะหาอะไรเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบ พ, พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราอย่าลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปให้ประกอบคุณงามคมณดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะและก็อีกหลวงพ่อเองกำลังช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลจะเข้าพรรษาวันที่แปเป็นวันอสารหาบูชา วันที่9เป็นวันเข้าพารรษาหลวงพ่อก็เลยแนะนําบอกข่าวตักเตือนพวกเราพุทธบริษัทเนี่ยเขาบอกบริษัทคํานี้คือบริษัทของพุทธะเนี่ยพวกเราได้มาเรื่มเคารพนับถือเรื่มใสในพุทธะพุทธศาสนาจึงว่าเราจึงยอมตัวว่าเข้าอยู่ในพุทธบริษัทเนีเพราะนั้นพวกเราเมื่อเข้ามาสู่บริษัทนี้แล้วต้องกล่าวตักเตือนกันในพรรษาที่จะถึงนี้เอาเถอะที่ผ่านมาเนี่ย เราก็ไม่ว่ากันหลายปีหลายเดือนอบางทีเท่าไรอายุนะแต่หลวงพ่ อ, อบอกได้ด้วยเจ็ดสิบสามปอีอายุของหลวงพ่อขณะนีนะ้และพวกเราท่านทั้งหลายก็รู้แก่ใจว่าเรามีอายุเท่าไหร่อทีนี้มันผ่านไปแล้วเน่เท่าไหร่มันผ่านไปแล้วแบบว่าันผ่านไปแต่เอาเถอะที่มันยังเหลืออยู่เท่าไหร่เราไม่ทราบไม่รู้นะในภรษานี้ข้าพเจ้า จะตั้งจัดสัจจะอธิษฐานนะเพราะว่าสัจจะอธิษฐานคือว่ า, อาตั้งใจจริงตั้งใจให้มั่นคงเราว่าข้าพเจ้าจะประกอบคุณงามความดีสักอย่างหนึ่งในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดทั้งวัดเช้าทั้งวัดเย็นทั้งวัดเย็นก่อนนอ น, ก, อนก่อนอารหังสาวามิภาโตสุปฏิปันโนนโมตัสตะได้เพียงแค่นี้ก็พอนะจากนั้นก็แผ่เมตตาเป็นภาษาใจ ข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุ่ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพระเจ้าปราถนาเพียงแค่นี้พออันี้คือเมตตาเป็นภาษาใจนะจากนั้นก็เราจะนั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาด้วยก็ดีนะนาห้านาทีสิบนาทีทำจิตใจให้สงบ ออของนั้นตื่นขึ้นมาตอนเช้าหลักนั่งภาวนาอีกห้าหนาทีสิบนาทีจากนั้นก็ทาวัดเช้าอราหังสวากาโตสุปฏิปโนโนโมตสระพุทธทางทำบางสังขงจุดแท้แต่เราจะได้มากน้อยแต่แผ่เมตตาอเอกโนดวยภาษาใจจากนั้นเราจองค่อยลุกไปทำการทำงานอันนี้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเรก็เห็นไหมศาสนาอื่นเขาเ ทำพิธีตั้งวันละสีหครั้งเขาอย่างเขาย่างทำแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ลึกเสียเลยมีแต่นับถือพุทธศาสนาแต่ไม่ได้แสดงสามีจีกรรมหรือว่ากายวาจาใจด้วยความเคารพสักการะเสียเลยไม่น่าจะถูกนะแต่ถ้าว่ามากกว่านั้นเออในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดบุหรีข้าพเจ้าจะงดเหล่าออข้าพเจ้าจะออมีสี่ท่า สินอวอสดสินแปดแต่เหล่านี้เป็นต้นนะเราจะไสบาททุกวันกระสุดแท้แต่พวกเราที่จ ะ, ะตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตให้จิตใจให้มั่นคงเอาสักอย่างนึงในพรรษานี้ในเมื่อออกพรรษาแล้วอย่างพวกเรามาตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานวัดถ้ำเกียรของเราเนี่แหล ะ, อะพอเสร็จแล้วเออตั้งจิตอธิษฐานในวันเข้าพรรษาพอออกพรรษาแล้วล่ะ เราก็ได้มากราบขอพรจากพระพุทธปฏิมาเออข้าพเจ้าได้มาเกาะกล่าวตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานที่วัดถ้ำเกียร์แห่งนี้ในข้าพเจ้าไหว้พระไม่ได้ขาดเลยในพรรษาด้วยบุญด้วยกุศลของข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาขอให้ขอให้เพื่อปูนหนุนข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจกิจการงานสิ่งใดก็ตามที่มันมีอุปสรรคขอขอให้ ราบรื่นไปด้วยดีขอให้ข้าพเจ้าในชีวิตทั้งชีวิตขอให้ราบรื่นจะมีอุปสรรคและกาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดด้วยเธอเนนะีเราจะค่อยมาขอพอรจากพระพุทธปฏิมานีน่หละอยากจะให้พวกเราท่านท่านหลายนะในพรรษาที่จะถึงนี้ไม่ควรจะอยู่ด้วยความประมาทจนเกินไปนะการกล่าววันนี้ได้กล่าวสังเวทนิยกถา หลวงพ่อได้ปารบเบื้องต้วนว่ามรณงเมภาวิสติมรณงเมภาวิสติแปลว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านะมรณงเมเมแปลว่าข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งต่อไปข้างหน้าไม่รู้จะเป็นวันไหน เพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ย้ําท้ายว่าขยะวิยธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะซัมปาเดธาติอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานในวันเดือน6กเพลในคืนนั้นพระองค์บอกว่าดูกอดสงทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะนี่อย่างเราตถาคตเนี่ยไม่ล้วนจวนสว่างเนี่ยเราตถาคตก็จะทิ้งธาตุทิ้งขันแล้วทิ้งร่างกายแล้วเพราะนั้นร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้คือพระองค์สั่งเสียพุทธบริษัท อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เห็นและลึกไว้อยู่เสมอว่าเรประโยชน์ตนกันในช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่ผู้ที่ด้อยกว่าเราเราก็จะช่วยเหลืออันไหนเขาได้ช่วยวัดวาศาสนาสาธ า, าธรณประโยชน์อันนี้แปว่าประโยชน์ ประโยชน์ประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนกันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวประโยชน์ตนนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบําเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอันนี้บําเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้เป็นพระธรรมคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สั่งเสียบอกกล่าวพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายดําเนินเดินตามคําคําสอนของพุทธะแล้วพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจอย่างน้อยใจของเราก็จะได้รับความสุขลึกๆใจมีมีที่เกาะที่ยึดนะถึงเราจะถึงคราวมาแล้วเออไม่ไหวและคราวนีอ้อย่างท่านพิชิตที่ท่านจากไปนี่ยนะในตัวอย่างนะถึงคราวอย่างท่านพิชิตนี่แหละเออเอา เอาเถอะนะบุญกุศลข้าพเจ้าก็ไม่ได้เสียท่าเสียทีเกิดมาทั้งทีชีวิตได้ประกอบคุณงามความดีมากพอสมควรนะถึงยังไงข้าพเจ้าคงไม่ตกต่ำค ง, งไม่ไปในทางที่ชั่วเพราะข้าพเจ้าไม่ได้คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วมีแต่คิดดีทดําดีพูดดีมาตลอดบุญกุศลคงจะเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าเนะี่ยถ้าเราคิดทําได้อย่างที่ได้พูดได้กล่าวนั่นแหละ พวกเราก็จิตใจจะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์วันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสัสังเวทนิยกถาเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกด้วยอำนาจคุณบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายคอยมาคุ้มครองศรัทธาญาติโยม